ขอความสุขความเจริญจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายพระสูตรที่จะกล่าวในตอนต่อไปนั้นจะเป็นการสรุปคาถาที่ใช้ในมงคลพิธีทั้งหลายท่านใช้คำว่ากิกรณาะกะถ า, าซึ่งเมื่อพระได้สวดจบมาถึงโพชง ที่ได้ว่ามาแล้วถ้าแบบโบราณก็จะขึ้นคาถาอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่ายันทุนเป็นคาถาบูชาอะไรพระจันทร์จันทร์ยันทุนมงคลดีอค า, าถาลักษณะของยันทุนนั้นเราเห็นได้อย่างชัดว่าน่าจะเกิดขึ้นในตอนหลังเพราะมีลักษณะคลังล้งคังแบบพิกลพิก ล, กลยังไงไม่รู้ ทันขึ้นว่ายันดุลนิมิตตังอวมังคลันจะโยจะมานาโปส ก, กุณัติสะโดปาปะโหดุสุปินังากันตังมุธานุภาเวนะวินาสเสม็นตุซึ่งแปลปป็จใจความว่าอนิมิตเครื่องหมายที่ไม่ดีทั้งหลายมีเสียงนกเสียงการ้องไม่ดีฝันไม่ดีอะไรแต่ไรเนี่ยที่เกิดขึ้นแก่ท่านก็ขอให้พินาศไปด้วยอำนาจของ พุทธานุภาพแล้วก็ต่อไปก็สวดอีกครั้งที่สองครั้งที่สามเหมือนกันก็เปลี่ยนเป็นว่าธรรมานุภาพกับสังคานุภาพเป็นลักษณะจะชื่อถือในแนวของพรามมากกว่าในแนวของพุทธเพราะตะพุทธแท้ๆเราก็ไม่ได้สนใจล่ะอะไรร้องไม่ร้องเราก็ไม่สนใ จ, รร ม, ม, นใจมันจะเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลไม่อยู่ที่มัน เพาในความเชื่อในแนวนี้ว่านกร้องการ้องนกแสกร้องนกเข้าแมวร้องอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นอับประมงคนนั้นเป็นความเชื่อแนวพราหมณ์ไม่ใช่แนวพุทธเราดังนั้นคาถาแนวนี้เขาเรียกว่าอภิยปริตรเนี่ยมันไม่เลยพบที่มาในไตรปิฎกพอมาอยู่ตรงไหนไม่ทราบแต่ก็ตินแน่ใจลักษณะของความเชื่อก็คือ ไม่น่าจะเป็นแนวของพุทธทีนี้เรื่องจากการนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทยเราศาสนาพราหมณ์ก็เข้ามาก่อนเราในดินแดนแถบนี้เพราะความเชื่อบางอย่างตลอดถึงความเชื่อแบบโบราณก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่เรียกว่าทุกชาติทุกภาษาจะถือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ แต่เมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาก็เป็นวิธีการฉลาดอย่างหนึ่งของบรรพชนคือท่านไม่ต้องการให้มันมันเคงเพ้องอะ่ะคือเอาอะไรมาเกาะเส้นหน่อยคนยังมีความเชื่อถือในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องเสียงนกเสียงการ้องเสียงจิ้งจกทักเสียงฝันไม่ดีอะไรต่ออะไรเนี่ย คนยังเชื่อถืออยู่แล้วทำยังไงจึงจะเกิดความสบายท่านก็ขอให้อานุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือแม้จะยังเชื่อถือแต่อยากถึงก็ออกนอกทางเกินไปก็ยึดมั่นอยู่ในคุณของพระรัตนตรยัยแล้วก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นพินาศไปด้วยอํานาจของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพ ที่นี้ยังกล่าวมาในตอนต้นหรือว่าท่านทั้งหลายก็เคยได้เกี่ยวข้องกับงานเหล่านี้ว่าการราตนาพระประิทธ์เนี่ยก็เรียกอะไ ร, ะไรวิปติปฏิบาหายะสบสัมปติสิทธิยาสดุขวินาสายะปิตังพูุทะมังคลังขอพระคุณเจ้าจงสวดพระประิตธ์อันเป็นมงคลนะฮะ วิปติปฏิบาหายะเพื่อห้ามเสียซึ่งความวิบัติทั้งหลายสรรพสัมปัติสิทธิยาเพื่อความสมสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงสรรพุกขวินาศายะเพื่อความพินาศไปแห่งทุกข์ทั้งปวงก็ขอสมอย่างนะขอสมอย่างคือขอให้สวดพระปริตรอันเป็นมงคลเพื่อความวิบัติ แทนความเอไม่ดีทั้งหลายแล้วให้เพิ่มปูนสมบัติแล้วก็เพื่อขจัดความทุกข์ในช่วงต่อไปเราก็บอกขจัดภัยนะฮะขจัดโรคโแต่ว่าสองข้อนั้นยังคงเดิมวิปติปฏิบาหายะเพื่อเพื่ อ, เ พ, อเพื่อห้ามการเสียซึง่งความมิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดมาจากอะไรก็ตามแล้วกับเพื่อให้เกิดสําเร็จในสมบัติคือสิ่งที่เราต้องการทั้งหลายนั้นเรายัางคงเดิมไม่ทุกข้อเลย แต่ว่าไอสัพนุขวินาศายะพอช่วงต่อไปเราว่าสัพพพยาวินาสายะพอช่วงต่อไปเราว่าสัพโรกวินาศายะก็เพื่อความพินาศปลายแห่งทุกทั้งปวงเพื่อความพินาศปลายแห่งภัยทั้งปวงเพื่อความพินาศปลายแห่งโรคทั้งปงวงพราก็สวดมาคาถาก อ, อกจะครั้งกันอยู่เยอะก็มาถึงตอนหนึ่งเนี่ยท่านจะสวดพระสักกัตตวาอ้างอานุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ สกตตวบุทธรัตนังโอสถทั้งอุตมังวรังเพราะความเคารพในพระพุทธเจ้าอันเป็นโอสถซึ่งประเสริฐสุดสกัตตวอุตรรัตังโอสถั้งอุตมังวรังหิตั้งเดวะมนุสสา่นนังทรงกระทำสิ่งที่เป็นการเกื้อกูลต่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุทตเตเชนโสตินา ก็ขอให้ให้ให้เกิดความสาเร็จด้วยเดชของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือขอให้ช่วยขจัดทุกข์ให้ตรงนั้นขออนุภาพพระพุทธเจ้าขจัดทุกข์ขออนุภาพพระธรรมขจัดภัยขออนุภาพพระสงฆ์ขจัดโรคเราก็ไม่ทิ้งไวะรัตนใจตลอดทุกบทก็ว่ากันอย่างนี้เรื่อยๆอ้างอนุภาพพระรัตนใจตลอด อันนี้เราก็สวดในทํานองครั้งครั้งก่อนนะฮะในทํานองว่าขออนุภาพพระพุทธเจ้าขาจัดทุกขจัดพระธรรมขจัดภยัยพระสงค์ขจัดโรคแล้วถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นโอสถโอสัทั้งอุตตมังวรังโอสถอันประเสริฐสุดหีตังเดวามนุษย์ซ่านังเกืนะ้อกูลแก่มนุษย์ะเทวดาทั้งหลาย ส่วนพระธรรมก็มุ่งขจัดภยัยแรงกล่าวซึ่งในชั้นหนึ่งก็อํานวยให้ได้โดยอนุภาพของพระประิษฐ์แต่ก็เป็นระดับหนึ่งซึ่งเราก็ยังไม่ได้ถึงพรรตันตรัยที่แท้จริงแต่ว่าชั้นการปฏิบัตินั้นเห็ได้ชัดเลยว่าพุทธานุภาพดันขจัดทุกข์ได้อย่างแท้จริง ธรรมานุภาพก็ขจัดภัยได้อย่างแท้จริงสังขานุภาพคือการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรนั้นก็ ข, ขจัดโรคใจนะโรคกายมันก็ป้องกันบ้างบำบัดบ้างแต่ขจัดจริงๆมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามุ่งหมายจริงๆมุ่งหมายที่โรคใจไม่ได้มุ่งหมายที่โรคกาย โรคการนั้นก็พยาธิธรมมหิปยาทิงอนาติโตนะอุตจ้าก็ปยาธิธรรมมหิปยาทิงอนาติโตเหมือนกันแหละก็เรื่องธรรมดาของสังขารนะฮะธรรมะในพุทธศาสนาเน้นไปที่โรคใจไม่ได้เน้นที่โรคกายแต่ว่าจักรกายบริหารต่างๆเนี่ยที่ทรงสั่งสอนเอาไว้มันก็มีส่วนในการป้องกันไม่ให้เราเกิดโรคได้ง่ายแล้วก็มีระยะที่ปลอดโรคมากยิ่งขึ้นโดยข้อปฏิบัติเป็นนั้นมาก ทีนี้ในตอนต่อไปนั้นเราก็สวดอะไรถ้าสวดเต็มนะฮะก็มีนัตทีเมอีกทีหนึ่งนัตทีเมสนังองัญญบุตรโธเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสตจิเตหนตุสรรพัพพตาที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระทรมประสงค์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัจเจนะด้วยอํานาจสัจจวัจจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะสวดเอาหรือสวดให้นะฮะแต่ถ้าสวดเอาก็เมนะฮะสติเมโหตุสัพ ป, ปะดาถ้าสวดให้ก็สวดทีเตโหตุสัพ ป, ปะดาก็เปลี่ยนเตเป็นเมถ้าเตนั้นให้เขาถ้าเมน่ะเอาเองเอ่อก็อ้างอนุภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์อีกแต่อ้างสัจวาจวัจจ์ของเขานะฮะของเราคือหมายความว่าในความรู้สึกของเรานะ หรือว่าตัวของเราที่พึ่งอย่างอื่นก็เราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐนติเมสนังอย่างบุตรโทรเมสนางวรังเป็นที่พึ่งอันประเสริฐซึ่งทัานหลายได้โปรดสังเกตว่าไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธไอ้ที่พึ่งอื่นไปหมดแต่ว่าบรรดาที่พึ่งทั้งหลายนั้นเราถือว่าพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ไม่ถึงก็ไปห้ามคนนับถือคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าเราศาสนาพูดเราใจกว้างนับถือใครก็ได้นับถือที่เป็นคนดีแต่ในแง่ที่ยึดถือเป็นสรนเป็นหลักแล้วเราก็ถือว่าพระพุธะทธเจ้าพระธรรมประสง์เป็นศรนอันประเสริฐก็เป็นสัจจาว่าจ า, ารามีความรู้สึกเหล่านี้อยู่จริงมันก็เป็นสัจจาธิฐานได้นะฮะสัจจาทิฐานได้อ้างเพื่อให้เกิด ผลในเชิงอนุภาพแก่บุคคลอื่นได้เมื่อสวนตอนนี้จบเราก็ขึ้นอีกข้อหนึ่งเขาเรียกว่ายังกินจิรัตนังโลเกวิทยาติวีตังปุตุรัตนังบุทมสมังนัติทัสมาสวดที่พรันตุเตก็บันดารัตนทั้งหลายในโลกนี้ซึ่มีเป็นนันมากนั้นพระพุทธเจ้าเป็นรัตนอันประเสริฐขออ้างอนุภาพพระพุทธเจ้าประทับพระสงฆ์ในฐานะเป็นรัตน ในฐานะที่เป็นรัตนนั้นก็ขอให้เกิดความสุขความสวัสดีแก่เจ้าภาพแก่คนที่มาในงานนะฮะคือแก่คนที่ร่วมในพิธีเหล่านั้นนะทีนี้จากนั้นก็เป็นคาถาคาถานี้มันต่อกันนะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ได้คิดว่าจะมาเข้าตรงนี้ไม่ได้เข้าคาถาจเจริญพระพุทธ본 ไปโยต่อข้างหลังพุทธชัยมงคลที่พูดมา8ดครั้งนะฮะเป็นต่อหลังพุทธชัยมงคลที่พูดมา8ครั้งแล้วสุดจพูดนานกว่าตรงควรนะก็เรียกมหากาโรุณิโกนาโถนะฮิตายาสะปปานินางปุเรสะวาปารมีสะบาปโตสมบติมุตตังอเตนสัจวัตเจนะสุติเตโหุสัปดาแล้วก็เียันโตโพธิยาโมเลนะฮะ ยันโตโพธิยาโมเลสกยาณังนันทวัตโนที่เราหมอบลงนะฮะเราหมอบแต่สวดครั้งแรกไม่ได้หมอบฮะสวดครั้งแรกไม่ได้หมอบพระสวดไปเลยโยมก็นั่งเฉยๆเพราะว่าอยู่ในตอนสวดดังนั้นยันโตเนี่จึงสวดสองครั้งสวดตอนเสร็จพิธีเสร็จงานเสร็จการแล้วโยมถวาย อ, อ, อาหารแล้วปรานาไดใจเสร็จก่อนที่จะกลับนะฮะเราก็ก่อน ตอนเริ่มงานก็มีการทำน้ำพระพุทธมนต์ตอนนี้ก็จะมีการเจียนโตขึ้นถึงมหาการนิกรโนาโถส่แปรโดยสรุปนะฮะโดยใจความก็คือว่าพระพุทธเจ้าพระผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกได้ทรงบำเพ็ญบรารมีให้บริบูรณ์แล้วเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ด้วยอำนาจสัจจวจจานี้ขออุปตวันตรายทั้งหลายอย่าได้มีแก่ท่านก็ขอขอนุภาพการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้านะฮะขอคนละตอนกันนะท่านๆาทัาท้งหลายลองลองสังเกตนะฮะบางทีก็ขอในฐานะเป็นรัตนะบางทีก็ขอในฐานะที่เป็นโอสถบางทีก็ขอในฐานะที่พระองค์เป็นสนะของเราตอนนี้ขอในฐานะบำเพ็ญบารมีพระพุทธเจ้ามีอะไรให้ขอเยอะนะ ย่ใหญ่ขอเยอะพอะดีก็ก็คนเราก็นับถือพระองค์ในลักษณะเป็นนักขออยู่ด้วยเลยขอใหญ่ไม่ค่อยให้กันเท่าไหร่หรอกขอมากเขาขอขอนุภาพของพระธุธเจ้าเนี่ยให้ขจัดอุปตัวันตรายทั้งหลายให้แล้วขึ้นถึงเชียนโตโพธิยามูเลนั้นก็เน้นในชัยชนะนะฮะคือมาก็พูดออกอากาศไปหลายครั้งแล้วนะฮะว่า ต้องการจะชี้ให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าในบทเชียนโตที่เรามอบลงรับน้หมนต์นั้นก็ไม่ใช่ให้สีให้พร อ, อะไรอะตอนเชียนโตนั้นมีลักษณะให้พรเชียนโตโบติยามมเลนะฮะแต่หวบอกขอให้ชัยชำนะทั้งหลายจงมีแก่ท่านเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรทรงชัยชำนะมานที่อัปราชิตบรรลัง ภายใต้ต้นประสีมหาโพนำความชื่นชมมายินดีมาสู่สากยาวงศ์ฉะนั้นนั้นก็คือบทเชียนโตขึ้นตรงนั้นจบก็ขออนุภาพการใช้ชํานะของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงใัยชํ า, านะมารภายใต้ต้นประสีมหาโพนี่ฮอปราชิตบันลังนั้นคือบันลังที่ที่ที่ที่ไม่มีใครจะให้พ่ายแพ้ได้ไม่มีใครจะให้พ่ายแพ้ได้ หมายถึงไม่ใช่ที่นั่งนะฮะหมายถึ ง, ถ, งถึงการตัดสู้ที่นั่งวันต่อมานี้ใครไปนั่งตรงนั่นก็แพ้เรียบเหมือนกันนะฮะคือหมายถึงว่าการตัดรู้ไม่ใช่หมายถึงตัวบรรลังไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงสถานที่นะหมายถึงสภาพจิต ท, ที่เกิดขึ้นในการตัดรู้เรียกอป ร, ราชิตบรรลังคือบัรลังที่ใครไม่สามารถให้พ่ายแพ้ได้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าพอชนะตรงนี้ก็ ไม่มีใครทําให้พระองค์แค้เมื่อการตรัสรุของพระองค์ก็นําความชื่นชมโสมมานัดมาสู่พระญาติวงของพระองค์คือสกยวงศ์สกยวงศ์ที่มีโอกาสได้ติดประวัติศาสตร์คนในรู้จักพระเจ้าสุโธตนะอะไรตระการนะี่ก็พระพุทธเจ้านะฮะไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตกน้ําปำแปลมหายหมดแล้วนี่ก็คือพุทธานุภาพทีแ่แสดงให้เห็นว่า พระญาติวงทั้งหลายของพระองค์นั้นได้ชื่นชมมากในการจัดสรูของพระพุทธเจ้าที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสถานะของราชวงศักยะแม้ในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นพวกสาเกก็เรียกพวกสาเกทั้นันเนี่ยสถานะทางสังคมยังสูงอยู่ในประเทศเนปาลก็ดีในประเทศอินเดียก็ดีคือเขายังนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ พวนี้จึงได้เกียรติได้สถานะออกจะพิเศษพิเศษกว่าคนอื่นแม้ในปัจจุบันนี้เพรา ะ, ะก็ขอให้ท่านท่านคือเจ้าภาพหมายความว่าคนในสมาคมที่มาประชุมกันได้รับใช้ตำแนะในลักษณะนั้นไม่ใช่ตำแหนะแล้วก็ขอให้เป็นที่ชื่นชมของตัวเองในของญาติพี่น้องเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้สร้างความชื่นชมให้แก่พระองค์ นะปีติประโมทให้แก่พระองค์และสร้างความชื่นชมให้แก่พระประยุรญาติแห่งศากยวงศ์ฉะนั้นต่อไปนั้นเป็นการเทศล้วนๆเลยนะฮะเทศดีซะด้วยนะแต่ดินี้โยมมานั่งหมอบรับมนมนเลยไม่รู้เรื่องก็พอะเดี๋ยวเขาวดเป็นป่ปาเัลีย้ยท่านบอกว่าสุนักขาาัดตังสุมังกะลั ง, ส, ง, าา ง, ส, งนะสุปภาตังสุขติตังนะฮะสุปุบันนะฮะสูตตรงนี้มีตัดไปอีกทีนึงได้ก็เรียกว่าสุ บ, บุลสุป สุปุบันหะกาถาคือคาถาที่ว่าเรกดียามดีขณะดีครู่ดีนะฮะเรกดียามดีขณะดีครู่ดีอยู่ที่การกระทาดีนะครับจะทำดีตอนเช้าตอนเช้าก็เป็นครู่ดีขณะดีเริกดียามดีทำดีตอนบ่ายตอนบ่ายก็เป็นขณะดีครู่ดีเริกดียามดีทำดีตอนเย็นก็เหมือนกันเพลังกายกรรมที่เป็นสุจริต เป็นประทักษิณเบื้องขวานะครัฟังยากหน่อยคือหมายความว่ากายกรรมที่เป็นสุจริตนะากายกรรมที่เป็นสุจริตเพราะขวาเนเราถือดีเปลียนเราเราจะเร า, เราจะเห็นว่าแนวพุทธเราเนี่ยเราเรากับคนจีนเราจึงอยู่กันมาได้ตลอดส่วนมากคนจีนกลายเป็นคนไทยคนไทยไม่ค่อยกลายเป็นคนจีนนะคนจีนกลายเป็นคนไทยเพราะคนจีนกับคนไทยนั้นผสมผสานกันง่ายเลยนความคิดเนี่ยเราไม่ต่อสู้อะไรกันเลย จีนถือซ้ายไทยถือขวาอยู่กันได้นะรูปสุญญัะเซนกับรูปพ ร, พระเจ้าอยู่หัวแขวนคู่กันได้เรียบร้อยเลยนะต่างคนต่างรู้สึ ก, กว่าชั้นใหญ่ไม่มีใครรู้สึ ก, กว่าเล็กนะฮะบอกแขวนปับ๊บเข้ามารูปสุญญัะเซนก็อยู่ซ้ายรูปในหลวงก็อยู่ขวาไทยเราเห็นว่ารูปพวกนี้ก็ให้เกียรติในหลวงพวกจีนมาเห็นก็เออพวกนี้ให้เกียรติสุญญะเซนเรียบร้อยแขวนคู่กันได้ก็เปันไดนะ้คนจีนกับคนไทยเนี่ยเราไม่ก็มีอะไรขัดแย้งกันฮะ เพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อถือบางอย่างเนี่ยเราเป็นอย่างเดียวกันเราอยู่กันมานานเป็นพันๆปีนะฮะแล้วบางอย่างเนี่ยบางคนละมุมกันฮะดีกันคนละมุมแล้วก็ประนีประนอมกันไดเ้เราถือขวาตลอดทําปะทักศินเวียนรอบเจดียเรเรียกว่าปะทักศินก็คือเวียนเบื้องขวาขวานั่นก็คือดีนะฮะท้ายนั่นคือไม่ดีท้ายนั่นคือคือไม่ดีแล้วเราก็ถือมาตลอด เราจะเดินสวนผู้ใหญ่เราก็ต้องผู้ใหญ่ให้ไปทางขวามือเรานี่เรียกว่าสวนด้วยความเคารพ ถ, ถ้าถ้าเราจะให้ผู้ใหญ่ไปทางซ้ายมือเราถือว่าไม่เคารพนะฮะดังนั้นทุกอย่างให้เราสังเกตจะเวียนขวาหมดเลยอจุดเทียนอะไรอะไร ท, ท, ท, ที่ที่เขาพิธีเนี่ยขวาหมดคือหมายถึงสรุป ง, ง่ายๆว่าในเชิงการปฏิบัติได้แ ก, ก่การการกระทําที่เป็นสุจริตเราสรุปด้วยถ้อยคําง่ายว่าเป็นเบื้องขวา กายกรรมวจิกรรมมนโนกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาก็หมายความว่าขอให้กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนั้นเป็นสุจริตแล้วก็จบลงด้วยขออนุภาพหมห่อยหนึ่งนะอนุภาพของอะไรอนุภาพของความดีอนุภาพของความดีที่ท่านเจ้าภาพได้กระทํานั้นเองกระทาด้วยสุจริตทางกายทางวาจาทางใจอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาข้อนี้ให้ลองสังเกตว่า พระพุทธศาสนานั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจเลยนะฮะเรื่องเลิกผานาทีเนี่ยไม่สนใจเลยแต่ของเราก็อิรุงตุงนางแล้วหลวงพ่อมาตั้งตัวเป็นคนให้เลิกซะเองเลยสนุกกันใหญ่แท้ที่จริงไม่มีฮนะในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ถือเรื่องเลิกเลิก อ, อ, อยู่ที่การสุนักกตังนะฮะสุนักกตังเลิกดีนะฮะสุมังกะลังมงคลดีสุปภาตังรุ่งดีสุมุติตังครูดี สุขโนขณะดีเอฮะคือสรุปว่าเวลานาทีอะไรก็ตามที่มันดีๆเจะช่วงเช้าสายบ่ายเย็นก็ไแมว่ามันอยู่ที่ทําดีอยู่ที่ทำดีทางกายทางวาจาทางใจเท่านั้นเองทําตอนไหนก็ดีทุกทีเลยซึ่งเราจะเห็นว่าพิสูจน์ได้เป็นคําสอนที่พิสูจน์ได้สมมุติว่าเป็นมหาธโนแห่งเลิกภูมิปโลแห่งเลิกอะไรต่ออะไรแห่งเลิกแต่ก็ ว, ว่ากันเนี่ฮะ แล้วไปปล้นไปจี้ไปทุจริตลองดูเลยฮะมันดีเลยฮั่นไมนด่ดีเหรอฮะแล้วเลิกให้เป็นเลิกอะไรากาลีไออโลคกวิน่าอะไรสมมติโลคกวินา่าโลคกวินา่ก า, น า, ก า, นาก็เรียกเกหรือเปล่าไม่รู้นะสมมติว่าเลกไม่ดีก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปทําความดีมันก็เป็นความดีอย่างนั้นแหละมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทําได้พระพุทธเจ้าทรงแส ด, แดงสมาับคนสมัยนั้นก็พูดกันง่ายๆพูดพื้นๆ น, นะฮะต้องเล่าฟัง คือเมืองแขกเนี่ยเขามีวิธีแต่งงานเขาเรียกว่าอาวาหา์วิวาหา์อาวาหะนั้นอาวาหา์นาผู้หญิงมาอยู่บ้านผู้ชายวิวาหะนําผู้ชายไปอยู่บ้านผู้หญิงนะในคราวไอในในในคราวอาวาห์มงคลคราวหนึ่งเนี่ยในตรกูลหนึ่งก็ถือเลิก ที่จะส่งลูกสาวไปสู่สกุลของสามีเลิกมันไม่ให้สักทีถึงวันนัดเลิกไม่ไปเริกไม่ได้เจ้าสาวไม่ยอมไปเจ้าบ่าวเลยเขินใหญ่เลยตูวก็สองรกตอนนั้นเองทางพ่อแม่ฝ่ายผู้ชายเขาตัดสินใจหาผู้หญิงใหม่มาแต่งงานคนนี้ก็ไม่ขันมาดโดยเจ้าก็ทรงแสดงว่าประโยชน์แต่มันเป็นเกของประโยชน์ ดวงดาวในท้องควาจะทําอะไรได้นะฮะ <N ic ca> แน่นอนและไอ้การหนาวร้อนอะไรต่อะไรนะน้ําขึ้นน้ําลงอะไรต่างๆความบรรยากาศต่างๆเรามันเกี่ยวข้องกับดาว <N ic ca> แต่ไอ้การผันแปรในชีวิตจิตใจของคนเราเนี่ยจะทําให้เราเคราะร้ายเคราะดีอะไรต่อะไรเนี่ยพระเจ้าผมอยู่บนท้องควาจะทําอะไรได้ตัวประโยชน์ฮนะปัญหาว่าสมเอตประโยชน์หรือเปล่าสิ่งนี้เกิดประโยชน์หรือเปล่าถ้าสมเอตประโยชน์เกิดประโยชน์เราก็ทํา ทำไม่สําเร็จประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่ทําสมมุติเราจะสร้างบ้านจะอะไรก็ตามนะฮะพิธีมงคลอะไรก็ตามถ้ามันพร้อมมันก็นั่นแหละคือตัวประโยชน์แล้วแต่ถ้ายัางไม่พร้อมถึงแม้จะทําให้เรื่องดียังไงก็ไปไม่รอดนะบางครั้งบางคราวคนแต่งงานก็ดูเรื่องกันจะ ด, ดีแต่งกันไม่กี่ปีก็ทะเลาะกันบ้านพังเลยแยกกันนี่สแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวกับกรรมคือการอยู่ร่วมกันนะของคนทั้งสองฝ่าย อยร่วมกันด้วยดีหรือเปล่าปฏิบัติภารากิจของตนทั้งสองฝ่ายดีหรือเปล่าถ้าปฏิบัติดีก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดูเกิเกเกอะไรนะแต่เลิกสําเร็จจริงๆนะฮะบางทีอะไรเนี่ยก็เรียกว่าดวงเรเ ว, วลาคลอดเป็นนี้เป็นนี้อาการหนักมากนะไปผ่าท้องเมียคลอดต้องเกดีๆก็มีจ้องไว้หมอดูเกดีไว้เมียยังไม่ถึงกำหนดคลอดให้หมอผ่าตัดออกมาเลยมันก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกทดีไม่ดีก็ตายหายไปเลย นี่ก็คือความเชื่อที่งมงายนะฮะเราจะเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยมันอยู่ที่การกระทำตอนนั้นเองฮนะถ้าเรากระทำดีก็ดีทาไม่ดีก็ไม่ดีอะเรกิกเป็นเพียงข้อมูลที่เรารวบรวมมาไว้นะฮะแล้วก็ใจเรายอมรับพอสมควรยังไม่มีอิทธิพลนะอันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อความเชื่อก็แบบคนที่ไปจับโอูกเขียติเล่าความก่อนนะฮะก็นึกว่าพระปลูกขึ้นก็บุกยิงกับญี่ปุ่นใหญ่โต วันนมันอยู่ที่ความเชื่อมันอีกประเด็นหนึ่งกําลังใจเราเกิดขึ้นมาเพราะปรากฏสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุแต่ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันขลังด้วยตัวของมันเองสิ่งเหล่านั้นเป็นภาพลวงตาที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกําลังใจขึ้นมาดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงไม่ไม่สนใจเรื่องเลิกนะสนใจเรื่องความพร้อมแต่เมืองไทยเรานั้นก็พูดยากนะอย่างว่า คืพระท่านลงมาเล่นเกมนี้เจ้าเองเลยก็พูดกันไม่ออกเลยนะะผู้ใหญ่ผู้โตตั้งนั้นเลยก็มาทําเรื่องนี้เจ้าเองซึ่งเราต้องมองท่านด้วยความเห็นใจนะฮะว่าสังคมเรายังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ต้องช่วยกันประคับประคองแต่วิธีที่ดีที่สุดนั้นจะต้องมีการชี้แนะซึ่งสอดแทรกธรรมะเข้าไปนานมาแล้วแต่มาเคยเล่าฟังนะฮะว่า โยมที่คุ้นกันปัจจุบันนี้ท่านตายไปแล้วเพราะว่านั่นไม่ไม่เชื่อเริกหรอกแต่ว่าเป็นคนพวกมากกว้างขวางเราก็จะทำงานอะไรก็ขอโยมคนนี้มาช่วยหาพระดูเริกให้โยมกม็ติดต่อมาที่อามามาก็ดูไม่เป็นอามาดีตั้งนั้นแหละเลิกแต่เขาก็ไม่ยอมทำตามแล้วอามาก็แกล้งลองดูไปทักสามหมอสมมองหมอทุกทีเลย ดูไปสามหมอสองหมอสมหมออย่างน้อยสองหมอแล้วก็ดูไปให้แล้วก็ส่งนะฮะบอเนีย้ยดูก็แล้วกันเลือกออกก็แล้วกันแต่เราเห็นว่าถ้าสิบหมอมก็สิบเลือกพวกนี้ทางศาสนาถือว่าเป็น ป, ปันจจัยธรรมธรรมะที่ทําให้เนิ่นช้าสูญเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะรอคอยผัดบันประกันพรุ่งกันอยู่เลือกยังไม่ดีต้องรอเลิกจะก่อนในะแต่ไรเนี้ย แตะถั่วจะสุกงาก็ไม่นะฮะเริกจะยกทัพอย่างเงี้ยสมัยโบราณในะี่ยเริกยกยกทับ ย, ยังยกไม่ได้ไม่มีเริกพ่อมาลู ก, กมาลู ก, กมาเลยเรียบร้อยมันมนก็เฉยเฉยนะฮะความคิดในะลักศาสนเนี่ยแต่ถ้าคนเราย่างยังไม่พร้อมนะฮะการมีสิ่งเหล่านี้จําเป็นแต่ต้องช่วยกันคุมช่วยกันพูดช่วยกันชี้แจงให้เข้าใจมันเป็นเสี้ยวหนึ่งที่จะให้เกิดขวัญเกิดกำลังใจสำหรั้นเด็กแต่อย่าไปเอายิงเอาจังกับเรื่องเหล่านี้มากนักนะฮะ เพราะาตัวการต้องการต้องทำดีถ้าไม่ทำดีแล้วโอกาสที่จะให้เกิดเป็นผลเป็นประโยชน์อะไรขึ้นมามนก็ทำได้ยากเป็นไปได้ยากดังนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าที่เราพรมก้มหมอบลงแล้วปพรมน้ำมนต์ให้พระพ ร, ะพระ ม, นมน้ำมนต์กันเนี่ยไม่มีตรงไหนที่พูดตึงครังมันมีอ้างการกระทำดีของท่านเองนะฮะ ทีนี้บางคนไปอยู่ที่ไหนไม่รู้วิ่งมาตอนพระพรมน้ํามนต์เพื่อนเดตามมาจากข้างหลังบ้านวะเนี่นั่งดื่มเหล้าอยู่ตามแหม่นวดไปรับน้ามนต์จากพระแล้วไม่เกิดมงคลยังไงไปด้วยเพราวตอนนั้นก็ให้เสียงแก่ท่านนะพวกกันนั่งใกล้ๆเนี่ยชายกรรมเตนเนี่ยอยู่กันตรงนั้นแหละเพราะงั้นไปต้อนกันบางบางทีไม่ยอมลุกนะให้นั่งสง่าเตะท่าอยู่ตามเต้นต่างๆเนาะให้พระไปเดินพรมน้ำมนต์กับบางองค์แก่ๆแล้วยี่เจ็ดแปิแล้วจะตายไม่ตายเลย รสมน้ำมนต์ก็มาถึงก็เด็กนวดแขนต่อเลยสร้างบาปให้พระอีกเออมันมันก็ไม่เป็นองคลนะนี่นี่เออเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเป็นกิริยาปฏิกิริยานะฮะมีการให้มีการรับกันในขณะนั้นคำสวดทั้งหมดเราลองสังเกตตั้งแต่รัตนสูตรเป็นต้นมานั้นแสดงว่าผู้ฟังอยู่ตรงนั้นผู้ฟังต้องอยู่ตรงนั้นจึงให้เกิดเป็นความสวัสดีต่อกันนั้น มาเจ้าไปเจต้อนกันมาจากไหนตอไหนก็ไม่รู้บางทีในที่บางแหง่งโอ้ยไปเจ้ตามพรมน้ำมคนคลกันนี่ตัวเนื้อหาแล้วถ้าเราเข้าใจนะฮะแล้วก็เป็นมงคลรักการใช้ชันะของพระพุทธเจา้าเนี่ยที่มันเกิดเป็นสวัสดิมงคลสร้างความชื่นชมยินดีให้แก่พิจารณ์ที่บงได้เพราะอะไรเพราะพระองค์มีพระบารมีทาอะไรทาจริงมีความเพียรที่ตั้งใจแน่วแน่พร้อมที่จะ เสียสละแม้ชีวิตทําให้ประสบ ค, ความสําเร็จก็ไม่ยอมเลิกละความเพียร น, นี่ก็คือเป็นเหตุให้ชัยชนะต่ อ, อประสอันตรายต่างๆจนถึงก็ชนะมาในที่สุดเพราะงั้นคนที่จะสร้างความชื่นชมให้แก่ตนเองและให้แก่ตระกูลวงญาติพี่น้องได้ก็ต้องอยู่ด้วยความเพียรพยายามเป็นคนเสริมสร้างบา ร, รมีพยายามใช้ปัญญาในการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกเรื่องราวไม่ว่าจะดีวิเศษยังไงก็ตามต้องใช้ปัญญาอยู่เสมอ ทีนี้มาถึงตอนต่อไปเนี่ยฮะท่านก็ต้องมองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งว่าการสวดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ตลอดทั้งทั้งทั้งงานนะฮะคือคือเรียกว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนั้นมีความเกี่ยวโยงกันตอนก่อนนั้นเรามีการกเรียกว่าขัดสมนตานะฮะท่านทั้งหลายคงคงจะเห็นว่าออพอให้ศีลให้ศีลเสร็จแล้วก็โยมาราตนาประิต วิปติปติพาหาะต่อจากนั้นพระองค์หนึ่งก็จะขัดสมันตานะว่าองค์เดียว่าเป็นทํานองสารพัญญะนะฮะหน้าฟังบ้างไหมหน้าฟังบ้างก็แล้วแต่ว่าใครจะฝึกมาไม่ฝึกพระองค์ก็ว่าหน้าฟังนะฮะธาตุซึ่งเย็นก็ไปถึงสวงทีเดียเมื่อก่อนนี่เป็นสานักนะฮะพวกเราเนี่ยพวกสูตรเนี่ยทยากมาก ต้องฝึกกันเป็นตำนักตนักเลยแล้วก็สืบทอดกันมาตำนักใหญ่ก็อยู่ที่วัดราชาธิวาสทุกวันหาผู้สืบทอดไม่ได้หาผู้สืบทอดไม่ได้จำนวนแท้เลยที่ก็ขัดเจดตนนีนวังเวงนะฮะวังเวงขนลุกเลยกระสวดกัดเจดตนานดึกๆนี่ขนลุกเลยคือคือมันมันมั น, ม, น, ม, นมันเยือกเย็นนะฮะเยอะเยือก เ, เข้าไปเลย สวดเสร็จเขาเรียกว่าเชิญเทวดาหริอชุมนุมเทวดานะฮะสมันตาจักรวาเลสุนันรอบจักรวาลเลยนะเชิญมาหมดเลยเดังนั้นในสมัยโบราณพิธีโบราณทุกวันพิธีหลวงมาแห่งก็ยังมีนะทำเป็นลาดเพดานผ้าขาวไว้นะมาขอมก็เทวดามาสิงสถิตกันอยู่บนผ้าขาวนะเทวดาน้ําหนักไปมากเดี๋ยวอยู่บนผ้าขาวนั้นก็อยู่ได้เป็นกอ ด, ดเลยก็ผ้าไม่ขาดถ้าก็มานั่ง ชุมนุมการเพื่อฟังธรรมทีนี้การชุมนุมการฟังธรรมนี้มันก็มีความเป็นมาของเขาอีกทีหนึ่งนะฮะว่าถ้าสกฤตเทวราชได้มากราบทูลต่อพระพุทธเจ้าว่าเวลาพระแสดงธรรมนั้นได้ประกาศให้เทวดาทั้งหลายทราบด้วยเพื่อเทวดาทั้งหลายจะได้มาฟังธรรมกันจะได้เทวดาจะได้เป็นสมาธิิขึ้นนี่เราจะเห็นว่าเป็นความคิดที่น่าสื่เสรนนะฮะพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ย แม้ตัวเองจะเสวยผลแห่งกุศลกรรมอยู่ก็อยู่เป็นสุขแต่ว่าไอ้ความคิดเป็นมิจฉาทิฐินั้นเป็นได้ง่ายทักาดการฟังการพินิจพิจารณาการศึกษาการสอบถามต่างๆถ้าทักาะจึงมาขอผ่อนไว้สองเรื่องนะฮะที่ที่ที่เราต้องต้องทำต่อกันมาเนี่ยคือว่าเวลาจะแสดงธรรมต้องเชิญเทวดาด้วยเพื่อให้เขามาฟังแล้วก็เวลาทำบุญ อุทิศกุศลให้เทวดาด้วยเราจึงมีเทวตาภรีในปีกรรมห้าอย่างนะฮะปีกรรมห้าอย่างกับผู้ครองเรือนที่ทรงแสดงไว้ในขีปฏิบัติมีปุพพะเปตะพลีมีเทวตาภรีมีราชภรีนะก็ราชภรีก็คือการเสียภาษีเทวตาภรีก็คือทำบุญอุทิศกุศลให้แก่เทวดาเทวดาเปตภพลีก็อุทิศกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ตายไปนะฮะ อติถิพลีก็เลี้ยงดูแขกนะตอนรับแขกที่มาบ้านในนี้ก็เป็นพลีกรรมอย่างหนึ่งที่ผู้ครองเรือนจะต้องประพฤติปฏิบัติในบทสมานตานั้นเราตบลงด้วยคำว่าธรรมมัตสวนกาโลอยัมพนันตาท่านผู้เจริญทั้งหลายนี้เป็นการฟังธรรมนะฮะไม่ต้องพูดมากเท ว, วดารู้แล้วรู้เท่านั้นเราจะเห็นว่าเราเชิญนิ่มมากนะฮะ มันว่าชิญมาขับมาในวิหารเนาะมาฟังธรรมไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องบอกอย่างนะั้นพูดนี้ ม, มากธรรมสวนร ก, การโลอยยัมปันตาท่านผู้เจริญทั้งหลายนี้เป็นการฟังธรรมเขารู้เองเราไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องเรียกไม่ต้องไปไล่ต้อนมามาเองไม่มาก็แล้วไปนะเทวดาบางองค์ก็บี๋วเหมือน ก, กันก็เหมืมาก็มาก็แล้วไปเอาเฉพาะองค์ที่มาเาเสร็จแล้วเมื่อเราสวดกันมาโดยลําดับเนี่ยฮะตรวจลาดับมาถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่าส่งเทวดา ทรงเทวดาจังหวะนี้ถ้าพระมานิกายสวดโยมจะฟังจังหวะแปลกไปทันทีเลยนะคล้ายๆจังหวะมาเต้นนะจังหวะสวดแปลกแค่เต้นมันแชันมันแปลกกว่าไปนะแต่ถ้าธรรมยุสวดก็ฟังไม่ออกก็ขึ้นถึง กโยมาดุขปัตตาจะนิดุขฆาปะยะปตาจันิปยาโสกปตาจันนิโสก้าหุนตูสเบปิปานิโนโอเอตาวตาจํามเหฮหิสัมปตังปุญญสัมปดังเนี่ยท่านพูดถึงซึ่งความทุกข์จงดับความทุกข์ได้นะฮะท่านที่ถึงภายจงดับภายได้ท่านที่มีโรคจงหายจากโรคท่านที่ประสบความโศกจงหมดสิ้นความโศกแล้วก็ให้ศีลให้พรกันมาเรื่อยเลย นะฮะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลกยังเหลือสองมัทัดพระหยุดหยุดอีกไม่รู้หยุดทําอะไรทำทำเรียนนี้ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเขามาอย่างไงนะฮะยังเหลือสองมัทัดตานั้นเองหยุดองค์หัวหน้าต้องขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งสเบบุตถาประลับปตตาปเจกานนัณะยังบลังอรหันตานันสเตเจนะระคังบันธามิสาพปโซนะว่า สเบบุทาบัลปตานะฮะกำลังของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีประมาณก็ขออามนาจของพระพุทธเจ้าพระปัเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายสเบบุทาบัลปตานปเจกันจัรอรหันตานันสเตเจนะด้วยเดชฮะด้วยเดชของพุทธเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายรักขังบัญทาม่สับสนะจงให้การในราคาคุ้มครองด้วยประการทั้งปวงแก่ท่านทั้งหลายก็แสดงว่า คนที่มาฟังก็ต้องนั่งตรงนั้นอีกอะต้องร่วมกันทำพิธีนะฮะให้เกิดสวัสดีมงคล น, นั้นต้องเป็นการร่วมกันทำพิธีจริงๆแล้วก็เกิดได้ระดับหนึ่งจริงๆด้วยนี่ก็เป็นการตั้งสัตยาธิฐานโดยอนุภาพของพระปริศอนุภาพของพระรัตนตรัยนะฮะ กตลอดตลอดถึงไอ้สัจจาทิฏฐานของพระที่เข้าร่วมพิธีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะสังเกตว่าตามปกติเวลาสวดมนต์พระจะนั่งหลับตาแล้ตัวเองสํารวมจิตไอ้มันมันมันมีกําลังมากพอไหมมาจะมาดูโน้นดูนี่ดูซ้ายดูขวานะฮะถ้าว่าสวดมนต์แล้วจะนั่งหลับตากันส่วนมากาจะเป็นอย่างนั้นหลับตาเพื่อรวมจิตให้ให้ได้สมาธิไอ้มันเกิดประโยชน์จริงๆขึ้นมานะเพราะนี้เป็นระดับหนึ่งระดับพื้นฐานไม่ใช่ว่าระดับที่จะนําไปปฏิบัติปฏิบัติ ระดับที่ล้ๆอยกล้ๆกับว่าลูกยางเล็กนะฮะคือคือคือป้อนอาหารให้ระดับให้มากกว่าที่จะระดับชวนให้ประพฤติปฏิบัติทั้งหมดแต่ก็หมายความว่าคนที่เข้ามาร่วมในพิธีนั้นก็ต้องอยู่ในที่นั้นซึ่ง เมื่อสวดกันมาโดยลําดับแล้วเราจบด้วยการอ้างอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ในสุดก็มาให้ศีลให้พร น, นะฮะให้ศีลให้ พ, กพรก็พระตูสัพบเนี่ยฮะพระตูสับประมังกะลังระคันตูสับประเดวตาสับุทธานุภาเวนะสดที่โซติเมโหตูสเอติเตโหตุสับปะดาก็ขออนุภาพพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์อีกนะฮะให้เกิดสวัสดีแกเจ้าภาพ พอเริ่มตรงนี้นะฮะพอเริ่มพอเริ่มจะขึ้นพวตถุศัพท์เนี่ยเราจะเห็นว่าพระเริ่มม้วนสายศินสายสินได้นะฮะเริ่มมวนคือพระก็รู้กันนะฮะว่าสวดมาถึงตรงไหนแล้วองค์ปลายแถวก็เริ่มมวนแล้วแต่บางทีองค์ปลายแถวนั่งสวดครึ่งหลับครึ่งตื่นองค์ข้างหัวก็ต้องกระตุกมันจะเลิกแล้วกระตุกกระตุกสายแล้วก็มวนมวนขามาก็จบที่ภวตถุเตนะฮะ ก็อ้างอนุภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อีกชีหนึ่งเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเกิดอนุภาพของพระปริศท่านทั้งหลายลองสังเกตทั้งหมดยกเว้นมงคลระสุดนะฮะยกเว้นมงคลระสุดสุดเดียวมงคลระสุดไม่มีการอ้างอนุภาพอะไรทั้งหมดเลยเป็นคําสอนรุ่นๆเลยจากพื้นฐานชีวิตจนถึงนิพพานเป็นบันได38ขั้นเดินไปแล้วก็ถึงนิพพานในที่สุด แต่ว่าเครด์อยู่ที่คำว่ามงคลตัวเดียวแต่นั้นเองนะมันเป็นเครด์เฉยๆเป็นมงคลละสูตรสูๆรที่ว่าโดยมงคลบ้านสูตรโดยมงคลเรือนก็ขึ้นที่มงคลละสูตรแต่ตัวมงคลละสูตรไม่มีการอ้างอนุภาพไม่มีการอ้างอนุภาพนอกจากเป็นการตอกย้ําไว้ตอนสุดท้ายแต่นั้นเองนะฮะแต่ว่าตอกตอกย้ําในแนวขั้นคำสอนนอกจากนั้นจะมีลักษณะเป็นการอ้างอนุภาพ ระดับพื้นฐานก็ใกล้ยๆกับอย่างที่บอกมานะว่าพระพุทธคุณเนี่ยเราจะสาธยายในแบบขลังๆก็ได้ตัวอย่างนโมเนี่ยเราสาธยายแบบครั้งๆก็ได้อย่างที่เล่าเรื่องเด็กสามารถป้องกนันอันตรายจากไอ้ไอ้อะไรเหล่าที่เข้าไปปักไว้ใต้น้ําได้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งก็ป้องกันในความบาดกลัวสะดุ้งต่างๆเช่นลูกคนกับตัดฟืนที่ไปตกอยู่ในไอ้ป่าช้านะ ว่าลูกคนลูกบาศก์ว่าเล่นครุปแข่งกับลูกดีรทธีแล้วก็ชั้นหนึ่งคือทําใจให้สงบเป็นสมาธิชั้นหนึ่งก็คือน้อมนํอาอบพระคุณมาประพฤติปฏิบัติมันก็อยู่ที่ว่าชั้นไหนก็มีช่วยกันทุกๆชั้นทีนี้เราก็ตั้งปัญหาถามว่าอนุภาพแต่มันจะเกิดได้จริงไหมอนุภาพเหล่านี้ในเชิงดนบรรดาเนี่ยเกิดได้จริงไหมเกิดมาเองในเชื่อเลยเชื่อเลยว่าเกิดได้จริงเกิดได้จริงแต่มีข้อแม่นะฮะ มีข้อแม้ว่าคนเราจะต้องพร้อมที่จะรับในสวัสดีมงคลอย่างนั้นคือใจจะต้องมีความอ่อนโยนไม่ใช่ว่าทำศัพท์แต่ว่าเป็นพิธีหรือไม่อ่อนโยนก็เรียกว่า อ, อยู่ในฐานะที่ให้คนอื่นป้อนให้เลยอยู่ที่ให้คนอื่นป้อนให้เลยคือเด็กเล็กๆนี่ให้คนอื่นป้อนให้เลยแต่ก็อยู่ตรงนั้นแหละต้องอยู่ตรงนั้นอนุภาพพระประินีคุ้มครองได้ช่วยเหลือได้อย่างที่เคยเล่าเรื่อง อายุวัฒนะกุมารที่ว่าเกิดมาถึงจะตายภายในเจ็วันนะฮะแม้แต่พระเจ้าก็รู้จะตายภายในเจวันแต่ใช้นุภาพปริตถตรวจคุ้มครองได้แล้วก็เมื่อรอดพ้นจากกำหนดนั้นท่านอยู่ได้ถึง120ปีฮะก็มาตายหลังพุทธนิพพานตั้งนานนี่ก็คือในแนวของของพระปริ่ตัวการสำคัญจึงอยู่ที่สองฝ่ายไม่จะให้พระรมอย่างเดียวนะะ ถ้าพระไปสวดอย่างเดียวก็เรียสวดมงคลเรือนก็สวดให้เรือนนะฮะโยมก็ไม่รับหลบหลบมงคลไปอยู่ตรงไหนไม่รู้นะเรือนก็คงจะเป็นมงคลบอสมควรนะฮะแต่ก็โยมโยมไม่ได้อยู่ในที่มงคลนั้นมันก็ไม่เกิดมงคลดังนั้นการกระทาแนวนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยฮะแบบต่างจังหวัดหรือคนที่ยังจำทรงวัฒนธรรมต่างต่างจังหวัดอยู่ บ้านบางบ้านเนี่ยเราหาคนฟังไม่ได้นะฮะบ้านบางบ้านเนี่หาที่นั่งไม่ได้เลยทุกคนก็จะมากันหมดเลยแล้วโดยเฉพาะเจ้าภาพเนี่ยต้องเป็นตัวเคร่งมากเลยนะไม่ต้องไปวุ่นวายแขกก็แขกให้เสร็จเรื่องพระก่อนเวลานี้ต้องแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยมากที่สุดแขงจะใหญ่โตยังไงให้ทอแสงรัศมีมายัางไงก็ต้องให้คออยู่ก่อน เราต้องให้ความเคารพต่อพระรันตนตรัยเพราะเราลุกขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเราไม่เคารพต่อพระรัตนตรัยนีมนุ์พระมาแล้วจะไปดูหมิ่นพระรัตนตรัยอีกนี่นี่ก็อย่างที่เคยเล่าเรื่องชาติปาณิอุบาสกนะว่าเมื่ออยู่ในสำนักพระพุทธเจ้านั้นแม้พระเจ้าประเนสนิโกศลเสด็จก็ไม่ลุกรับพราะถ้าลุกขับพระเจ้าประเนสนิโกศลแสดงว่าไม่เคารพต่อพระพุทธเจ้าอันเวลานี้เราสวดพระเข้าสวดพระประริฐโยเป็นการแสดงธรรมนะฮะ ในขณะที่แสดงธรรมแม้แต่พระราชาเสด็จในแง่ของการปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ลุกขึ้นรับเสด็จนะฮะแต่ว่าเราเอาอุตรหลุดอดีกเดี๋ยวนี้มันอุตรหลุดเลยพระไปส่งที่ดอนเมืองไหว้กันอุตรหลุดที่จึงไหวไม่ได้ฮะวินัยนีไน่ไหวไม่ได้เลยพระต่อพระนะฮะไปไหวกันนอกวัดไม่ได้เราไม่ไหวกันเลยเดี๋ยวนี้เราก็ไปติดชาวบ้านกันบางทีเพลิดจับมือแบบฝรั่งด้วยเลยโกะหยอกกันเลยนะสนุกกันจังเลยไม่รู้อะไรเลยนี่นี่คื อ, คอกือมังเลอะเทอะไปอะ่ะดังนั้น ถ้าเราทำในลักษณะพร้อมที่จะรับนะฮะแล้วก็เกิดจริกๆเกิดผลได้จริงๆแต่มีข้อแม้อย่างที่ว่ามาแล้วพูดยังมีข้อแมออ่บางครั้งเราสัมผัสได้เราเห็นได้นะบางครั้งก็เป็นลักษณะที่ปนเปกันไปกับความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆหรือว่าไอ้สิ่งที่อันตรายมันจะมันควรจะเกิดมันเกิดไม่เกิด ไม่เกิดเราก็เชื่อมโยงไม่ได้วันนี้เป็นอนุภาพของอะไรอะมามีเรื่องสัมผัสตรงๆโดยจะเล่าเรื่องตัวเองนะที่จริงก็ไม่ค่อยเล่าให้ให้ใครฟังอะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตขอาอมาเองเลยเมื่อตอนบวชพรรษาแรกนะบวชได้สิบ้าวันอาจารย์ก็นำมาอยู่ที่วัดห่ง ก็ชักจะเป็นคนคุยเก่งนิดหน่อยนะโยมก็ชอบแถวนั้นก็ขอไว้ก็ไม่ให้กลับบ้านก็ให้อยู่ที่วัดเขาแต่ว่าเราก็ไม่รู้จักใครอะ่ะมันวันนั้นมันเป็นอะไรขึ้นมาไม่รู้มันใคลยๆอะไรอะ่ะจนทุกวันนี้ยี่กว่าปีแล้วมายังไม่รู้มาไปทําอะไรฉันเพนเสร็จแปลงฟันแล้วผมจุบอลลุมเดินดุยโยไปนอกวัดเลยเดินเฉยอย่างนนเนี้ยแล้วเดินพุ่งแนวไปที่บ้านคนก็กาลังป่วยอยู่ ไปถึงมีเด็กผู้หญิงอายุห้าขวบห้าขวบสี่ขวบห้าขวบแต่แต่เนี้ยนะป่วยหนักเนละพ่อกับยายเขาพ่อกับยายเขานั่งเฝ้าอยู่พอเห็นมาเดินเขาก็นิมนต์ไปที่จริงก็รู้จักกันนะฮะเพราะเป็นอุบาสกอุบาสิกาวาาดัดนั้นเองแต่บ้านเขานี่ก็ไม่เคยไปแล้วเขาก็บอกว่านิมนต์หมาท่านมาแล้วดีแล้วผมจะให้ลูกสาวเป็นลูกของท่านแล้วเขาก็เล่าใฟังว่าเด็กเนี่ยเอาไปรักษาหมอ หมอเห็นไม่มีหัว ไ, หมไม่ใช่ไม่ใช่หมอไม่รับนะฮะว่ารักษามไม่ไหวแล้วมันชักเกินไปพอออกมาขึ้นเรือจะขึ้นบ้านเนี่ยพี่สาวคนหนึ่งเห็นไม่มีหัวพอหามมาที่บ้านพี่สาวอีกคนเห็นเป็นลูกหมาดูน้องสาวคนหนึ่งเห็นไม่มีหัวคนหนึ่งเห็นเป็นหมาไอคนข้างข้างนอกเขาก็ถือกันมากกว่าทั้งคัวน ะ, ะเอาเด็กมาไว้กลางนั่งชาญเรือนบ้านสองหลังเนี่ยก็ อ, อยู่ที่ชาญแล้วก็มีหลังคา น, นะฮะก็ อ, อยู่ที่ชาญแล้วก็ หอมแม่ตัวแข็งวมาแล้วหายใจนิดๆแต่เต้นนิดๆอ่ะก็ก็บอกว่าพ่อเขาบอกว่านี่ผมให้ท่านเป็นลูกท่านรับไปอาตมาก็หม่ให้เราก็เพิ่งบวชใหม่นะไม่ค่อยมีอะไรหรอกบวชมาไม่ถึงเดือนอะ่ะก็ไอ้จักๆักจะได้ลูกแล้วลูกทีเดียวก็สี่ห้ากลัวเลยตามไงดีอ่ะมันก็พอรู้อะไรอยู่นะฮะตัวรู้อะไร ก็เอาพวกนี้พวกพวกทั้งหมดเด็กท่านึกได้อะไรก็ว่าเรื่อยๆตั้งแต่น้ำโมโอิติปิโสว่ามาเรื่อยเลยแล้วกอธิษฐานใจนะฮะอธิษฐานใจก็พูดแบบไทยๆนะพูดพูดแบบไใจอธิษฐานใจแต่ว่าเด็กคนเนี้ยเมื่อก่อนก็เป็นลูกของคนนี้คนนี้จริงว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่เขาให้เราแล้วเพราะนใครจะต้องการจะมาเอาไปเราก็ขอวไหว้ก่อนเพื่อเด็กแกได้ศึกษาเราเรียนได้ทําความดีอะไรแต่ก็ว่าไปเรื่อยๆนึกอะไรก็ว่านะฮะเเรียกขึ้นต้นไม้เชื่อแรงคาถาเนี่ยว่าเรื่อยเงั้นเนี่ย ก็ใช้เวลานานพอสมควรรวมร่ว ม, มชั่วโ ม, มงทําเป็นได้ผูกมือผูกมือให้แล้วก็ทําน้ำมนต์ทีนี้เด็กผู้หญิงอ่ะเราก็ผูกให้เองไม่ได้ก็ขอให้พ่อเขาจะปรบผูกให้ผูกให้แล้วก็พรมน้ำมนต์แล้วก็ตั้งใจอธิษฐานขอไว้นะฮะบอกว่าอย่าเอาลูกสาวเราไปเราขอขอไว้อย่างนี้เราไม่เชื่อใจอะไรเราว่าไว้งั้นการผีหลอก เสร็จแล้วก็มานะเด้อมาก็ไม่เคยโผลไปอีกเลยโยมก็มาบอกบอกว่าตอ น, น, นมาทําเสร็จแล้วสักบ่ายโมงพอเที่ยงคืนนะฮะเด็กขอน้ําำเที่ยงคืนเด็กขอน้ําซึ่งไม่ได้กินอะไรมันตั้งหลายวันนะ่ะเด็กขอน้ำพอ ร, รุ่งขึ้นเช้าขอข้าวต้ ม, มาสามวันหายเลยแล้วไม่จะหายธรรมดานะโรคคือที่ติดมันจะเกิดหายด้วย โอ้เด็กคนนี้ต่อมาโตเป็นสาวมันจะประกวดนางงามได้เยอะเหลายจังหวัดมันแต่งานเลยยังไปหลอกประกวดก็ยังอีกนี่ก็เด็กแกก็ดีนะฮะแกเด็กแกก็เรียกพ่อเรียกพ่อมาตลอดแต่ตอนนี้พ่อแกจริงแกตายแล้วอันนี้ก็อยู่กรุงเทพแถวประเวศเนี่ยมีลูกสาวแล้นะน้มาเนี่ยสาวเยอะเท่าไรแล้วตะวันรู้สึกจะสาสิบได้มั้ยนานเลวเนี่ยสามสิบกว่าสามสิบสี่สามสิห้าเวลาเขามีลูก ก็เรียกตาเนละยแก่กันใหญ่เลยนะลูกมันก็เรียกตาเลยอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นอนุภาพของประิษฐอนุภาพจริงๆเลยนะะแต่ว่าก็เด็กอาจจะเด็กอาจจะจะมีบุญด้วยนะที่มันแปลกคือโรคขือ่อ่มันติดมันจะเกิดมันหายไปได้ยังไงหายไปด้วยจนจนตลอดมาเนี่ยไม่หายเนะี่ยฮไม่ไม่ไม่ได้เป็นโรคคืน อ, อีกเลยทีนี้ ตอนนั้นก็ชักจะขลังขลังชักจะขลังขลังมาอยู่สองสามเรื่องอะมาเลยถอนตัวหมดเลยไม่ไม่ไม่ไม่เล่นนะฮะคือรู้สึกว่ามีแนวโน้มว่าถ้าไปทางนั้นมันจะไปนาจารย์ขรังเอาพอดัวนะต่อมาก็มีโยมอีกคนหนึ่งคนนี้ไม่รู้จักกันอยู่ที่วัด น, นั้นนะฮะแล้วก็ห่างจากลูกสาวนในไม่กี่วันนะรู้สึกว่าชักไม่ถึงเดือนคนนี้เกิดลูกมาร้องให้แต่ตัวแดงเลยนะ มาตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ตีห้ามาร้องไห้อยู่ที่หน้าห้องอ่ะก็เปิดประตูออกมาก็ไปเจอแม่กับพ่อเขามานะฮะถามมาทาอะไรเป็นเรื่องอะไรนี่ทาไมเอาลูกมาตีห้าเลยฮะมาเรายังไม่ตื่นเลยแกก็บอกว่าแม่เขานะฮะบอกแกฝันคือคลอดลูกมาถึงเด็กร้องไห้ไม่หยุดแล้วแกก็ฝันว่ามาเดินผ่านหน้าบ้านแกมาถามเป็นไงพี่ลูกร้องไห้เหรอ ไอลูกร้องไห้ไปกลัวอะไรอุ้มของก็หายแกว่ า, ามาว่านะอามาไม่ได้ว่านะแก็กฝันเอาอ่ะเสร็จแล้วแกก็เอามาโดยไม่รู้จักกันนะก็บอกว่าอุ้มมองก็หายพอดีเั็นเด็กผู้ชายนะเราก็สบายใจหน่อยอุ้มก็อุ้มเดีวมันหายก็หายไม่หายแกก็ฝันเอานี่นะจริงไม่จริงรก็ไม่รู้แหละอุ้มแล้วเราก็ทําแบบเดิมอะทำอย่างที่สวดเนี่ยพวกคาถาเนี่ยพวกที่ล่ามาทั้งหมดแต่ว่าสวดไม่ไม่ทั้งหมดหรอกเพราะว่า บางทีก็เดียวได้บางทีก็เดียวไม่ได้มันก็อารมณ์อย่างนั้นนะฮะ่มันก็แปลกว่าเด็กคนนี้พอผูกข้อมือไปแล้วแล้วหายเอามาอุ้มมันก็หยุดแล้ะพอผูกข้อมือพรมน้ามนให้แล้วก็หายอ้วนท้วนสมบูรณ์จนเอามาผูกมาตอนเก้าแปดนะเก้าแปดเก้าเก้าห้าร้อยห น, นึ่งสองสามสี่ห้าตอนอายุกแกแปดขวบแปดขวบเนี่สายมือสายได้ดี่เราทำไว้คราว น, นั้นขาด ตอนนั้นมาอยู่กรุงเทพแล้วตอนเกิดวาตภัยอ่ะได้มือขาดขาดก็เอาไปให้พระอื่นทําให้เด็กป่วยจะตายเอ า, าเลยก็เอารูปรูปถ่ายามาสองสองนิ้วที่ให้ไว้เป็นที่ระลึกมาตั้งก็จุดทูบจุดเจียนทําแทนเลยผูกขายอีกว่าชักจะขลังใหญ่เลยชักจะขลางใหญ่เลยนี่แล้วก็เลยเอามาก็ชักจะปลอดปอดอะ่ะคือไม่กล้าไปทางนั้นนะชักกลักลวลกลัวมันจะขลางเอา ซึ่ ง, ซ, งซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะฮะแต่ว่ามาทดลองเฉพาะปีแรกนะปีแรกบวชแล้วก็ต่อมานั่นมาจะไม่ยุ่งไม่ยุ่งถ้าสวดก็ไม่เคยอมเป็นหัวหน้าก็จะอยู่หลังๆคือกลัวจะขลังแล้วก็ไม่ชอบไปงานแนวๆนั้นจนทดลองไอ้เทียนในว่ายพระทุกทุกคืนนะฮะเทียน ก, กองเทียนบอกว้พระประัอมมากรแล้วก็เริ่มมาทำกลมๆเรๆครุกกรี ك เท่าทูบอ่ะกองไว้กองไว้เป็นรูปอม บอกพรรษาแจกเด็กหนุ่มๆแถวแถวข้างบ้านนะแจกคนอ่านคนอนมันกลายเป็นเครื่องดังของกลางไอ้คนหนึ่งไปโดนตีหัวไม่แตกโอ้ยดังกันใหญ่เลยแล้วก็นี่เองฮะส่วนมนธรรมดาพวกนี้ฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในแง่ที่เป็นอนุภาพนะฮะอนุภาพถ้าเรามีความเชื่อมั่นมีสมาธิเพราะว่าปีที่อามาบวชเนี่ยมันเริ่มสอนสมาธิตลอดพรรษานั่งสมาธิกันกับโยมนนเลิกตั้งแต่ห้าห้ทุ่มอ่ะคืนก็เลิกกันห้าทุ่ม โยมก็นั่งสมาธิฟังเทศก่อนบ่ายพระจวจมนต์ฟังเทศแล้วก็นั่งสมาธิกันทุกคืนตลอดพรรษาเลยเพราะฉะนั้นไอ้สมาธิมันก็ใช้ได้สมาธิก็พอใช้ได้แล้วก็โดยเฉพาะอานุภาพพระพุทธมนต์อานุภาพพระพุทธมนต์อานุภาพปริษเนี่ยก็ต้องมีจริงจะเรื่องบังเอิญหรือไมบังเอิญมันรู้แต่ก็มีสามรายที่ว่าทําด้วยตัวเองเลยไม่ได้มีคนที่สองนะ ไม่ได้มีคนที่สองและสิ่งที่เราทํานั้นไม่เอาอื่นมาจากบทสวดมนต์เหล่านี้แล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยตุกวันลูกชายในทานํางานเนี่ที่สงขลานะฮะจบปปศสูงใหฝากให้ทํางานบริษัทรู้สึกก็ไปทํางานอะไรที่อื่นนะนี่ก็ตกลงมีลูกสองคนนะ <c oughs> นี่ลูกสองคนนาฏพระประหลิตอันนี้รู้สึกอายุยนะี่บเก้านะฮะยีปีปศ98้าิจึงจะจริงหรือไม่จริงฮนะมันก็จริงอย่างเงี้ย แต่ทีนี้พระไปนะเราจะเห็นว่าห้าเจ็ดเกสนะพระก็มากนะกำลังมา ก, มากแล้วถ้าหากว่าคนฟังมีพื้นฐานคือศรัทธาจริงๆไม่จะทําสักได้ว่าเป็นพิธีไม่จะว่าพอพระเริ่มสวดโยมก็เริ่มคุยกันเลยโอยแข่งกับพระแข่งกับพระพระก็สวดไปเลยไม่รู้ใครสวดใครคุยไม่รู้อะไรเวื้องมนใครเข้าไปก็ไม่รู้บางทีนั่งนินทาเพื่อนเข้าไปในน้ํามนต์ด้วยเลยสนุกกันใหญ่ นะเพราะงั้นมันต้องอยู่ในฐานะตอนนั้นก็รับคือทําใจเป็นสงบเป็นสมาธิช่วยกัน ร, รวบรวมช่วยกัน ร, รวบรวมพลังจิตพลังจิตนั้นสามารถได้นะฮะสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้และก็มีจุดจุดเนียวแต่อย่าลืมว่าในชั้นนี้นะในชั้นนี้เราใช้ระดับระดับล่งางระดับล่างระดับพื้นฐานต้องการขวัญกำลังใจต้องการการจัดทุกภัยโรคซึ่ง ไอ้โรคนั้นเนตไปที่โรคใจนะฮะโรคกายจะหายได้ก็มีคือไม่จะถึงก็ไม่มีนะฮะแต่ว่าบางกรณีจะไปอยไปไว้วางใจพระพุทธเจ้าเองเวลาประชวร น, นะก็หายในกรณีธรรมปีตินะเกิดธรรมปีติโรคป่วยธรรมดาธรรมดานี่มีเกิดปีติหายได้อย่างที่เล่าฟังมาตั้งหลายตอนแต่ถ้าโรควางเรื่องเช่นตอนหมอชีวกโกมารพัดกลิ้งหินลงมากระทบถูกพระบาทนั้นก็หมอชีวกมารักษานะ อยู่ว่าโรคท้องผูกพระเจ้านั่งเทศคนเ ว, เวียนไปเวียนมาเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าจะสนุกเลยคนเวียนเฝ้าอยู่นั้นแล้วเหมือนก็หลวงพ่ออะไรตัวไร ท, ทุกวันทุกวันเนี่ยพระบางองค์ผู้ใหญ่มีองค์หนึ่งฮะตอนนี้ท่านสิน้นไปแล้วคนมาหาจนไม่รู้จะทำยังไงไม่มีเวลาพักข้าวห้องน้ำลูกศิษย์ทมประตูเป็นห้องน้ำข้าวห้องน้าแล้วก็หลบก็ไปเป็นห้องนอนเนี่ย แต่ตัวห้องน้านั่นแหละถ้าลูกเข้าไปดีเป็นห้องนอนเลยต้องเข้าไปนอนเลยก่อนลูกศิษย์ก็อยู่ข้างนอกก็ว่าเล่านี่ทงนี่ทานอะไรก็ว่าไปหลวงพ่อท้องผูกอะไรก็กว่าเป็นข้างนอกหลวงพ่อเข้าไปพักก่อนอย่างนั้นแล้ก็แย่เลยคือคนไม่ให้พักเลยเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงเป็ น, น, เปนวันๆไม่ได้หยุดเลยคนเราไม่ใช่เหล็กไหลนจะอยู่ได้ไงถุก็ไปแหละเมื่อจเจ้าเองก็ไปอย่างนั้นนะฮะบางทีก็ท้องผูก ไอ้ท้องผูกนี่ใช้ใช้ค า, าถาไม่ได้นะใช้ค า, าถาไม่ได้ต้องใช้ายาถ่ายแล้วใช้ายาถ่ายหมอจวิววอรก็ต้องปรุงยาถ่ายเพราะฉะนั้นโรคจริงๆ จ, งจึงเน้นไปที่โรคใจนะฮะอย่าไปเคิดว่าพอป่วยแล้วต้องไปพรมน้ํามนต์บางทีก็อาการหนักกันไปอีกน้ำมนต์มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งอย่าไปติดใจว่าจะต้องได้ไปทุกกรณีไม่ใช่องนั้นในเรื่องทุก ถ้าจิตใจเราสงบนะฮะเรามีขวาญมีกําลังใจเพิ่มขึ้นถึงจะเห็นได้ว่าบางครั้งบางคราวไอ้ความมารุมมาตุ้มของอารมณ์ที่เราไปนึกเอาอะไรตัวอะไรไม่รู้เอามาคิดเอามากรุบเอามาวุ่นวายในที่สุดก็เป็นทุกข์ใจไม่สบายใจก็มีความรู้สึกว่าพระมาสวดมนต์ให้แล้วปัดเสนียดจังไรรังคว้าให้แล้วนะแล้วก็พรมนามนให้แล้วสิ่งนั้นก็หมดไปแล้วเรามีความรู้สึกไปหมดไปแล้วเราก็ปล่อยวางคือไม่ดึงกันมากลุ่มอีกนะนะในแง่งจิตวิทยามันก็เห็นกันได้ชัดๆแล้วว่า พวกปริพเทศพวกกังวลเหล่านี้มันก็หายไปในเชิงจิตวิทยาก็เห็นผลในเชิงจิตวิทยาในเชิงที่เป็นอานุภาพก็เป็นเรื่องของอานุภาพซึ่งอนุภาพนั้นในแนวกิริยาปฏิกริยาอย่างที่ว่ามาแล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเคยอุปถัมบํารุงกันมานี่เราก็ไม่รู้นะฮะคือคือคื อ, คอมาที่ทกรุงเทพมาก็มีลูกหลายคนนะฮะลูกหลายคน ก็แปลกเหมือนกันนะมันก็หายได้ไองหายยังไงไม่แกเราก็ก็มาให้เราก็คือก็บอกว่าลูกคนเนี้ยพ่อแม่เลี้ยงไม่ได้ต้องเอาไปให้เป็นเป็นเป็นลูกพระพ่อแม่ก็มีอะไรไม่ถึงอะไรแต่ละเนี้ยเอามาให้เราก็ล้าก็ทาให้นะฮะแล้วก็เด็กเขาก็มีสุขภาพภานาใหมาด่ดีหายแต่ไม่ถึงกับอย่างที่ทำแกสองคนนั้นนะฮะเพราะเราเรา อปัญหามันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเตียงแต่ว่าเขากลัวเขาหวาดเขาวิตกกังวล่านั้นเองแล้วก็ช่วยในด้านพวกนี้ทีนี้ถ้าหากว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องมั่นคงคือการมุ่งหวังอนุภาพนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แนวพุทธิแท้จริงฮะอนุภาพนั้นเราจะต้องสัมผัสด้วยการปฏิบัติ คือนำไปประพฤติปฏิบัติเลยมงคลก็ปฏิบัติตามมงคลเลยนะรัตนสูตรก็เข้าตามรัตนะเลยคือให้มีรัตนะอยู่ภายในใจเราเลยกรณียเมตสูตรก็เอากรณียะที่เราควรกระทําเข้ามาทําเลยนะขันธประเสริหรืออิราชสูตรก็เหมือนกันก็สมบัติคุณของพระพุทธเจ้าเลยหรือว่ามาอะไรมีมาถึงคาถาโนคุ่มนะฮะ กระฐานะคุ้มก็มีศีลมีสัจจะมีคันติมีเมตตาเองเลยที่ก็อีกขึ้นไปขั้นหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าในความมั่นคงในทางใจจริงๆความปลอดเบรปลอดภยัยปลอดอันตรายต่างๆก็จะสูงขึ้นแต่ระดับหนึ่งสมบคนพวกหนึ่งนะซึ่งยังมีความจําเป็นเราเลิกเรื่องเหล่านี้ยังไม่ได้หรอกแต่ถ้าต้องการผลก็อย่าลืมนะว่าต้องอยู่ใกล้ๆนั้นแล้วพิธีต้องให้ขลังอะ ต้องให้ครังต้องให้ใจสงบต้องเป็นสมาธิเลยแล้วท่านจะสัมผัสมงคลด้วยตัวของตัวเองในขณะนั้นไม่ใช่ใไปวุ่นวายอะไรตไรงานอะไรกับข้าวกับปลาแม่บ้านในสั่งคนอื่นทําเสร็จแล้วอย่าไปยุ่งเขาตอนนี้เราทําใจสงบไปอยู่กันเนี่ยอย่างอย่างแม่ของพระโสณะกุติกันนะเนี่ยท่านอยู่ของท่านเนี่ยกำลังนั่งฟังเสดคนมาบอกบอกคุณนายโจรมันเจาะกําแพงบ้านเข้าไปจะขโมยทรัพย์ ท่านบอกปล่อยเขาจะมายุ่งจะมาทําอันตรายแก่ฟังการฟังธรรมกันท่นเขาเข้าไปเจาะแล้วท่านก็ไล่กลับก็ ข, ขนทรับออกมาแล้วท่านยังไม่ยอมไปไม่ยอมไปท่านบอกชักมานะซัพย์ของนอกกายตายเราก็หาได้แต่ว่าพระหมากระจอันานาเ น, นี่ท่านกำลังมาเพิ่งมานะฮะไม่เคยได้ฟังเลยเพราะ ง, งั้นขอฟังเทศโจร น, นับถือเลยนะฮะโจรโจรเรื่องจ้องฆ่าจ้องจ้องอยู่ในว่าถ้าแกออกไปจะฆ่าแกเลย จนนับถือยอมคืนทรัพย์ให้แล้วก็ขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์พระเลยนี่ก็คือธรรมานุภาพอีกชั้นหนึ่งนะฮะอีกชั้นหนึ่งซึ่งก็มีกำลังมากกว่าชั้นส่วนวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงกงามในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย